หลครั้งทีเธอชอบบอกว่าฉันมันเขาจะเคยเดินผ่านเข้ามาในชีวิตเธอแต่จะต้องเจอกับความเจ็บละช้ำที่เขาทำไว้ให้เธอเพราะในหัวใจเธอไม่ลืมเขาเรื่องระหว่างเรามันเลยข้างคียงเธอไม่กล้าบอว่าเธรักการทั้งที่มองก็รู้หัวใจเราคิดยังไง ไม่ได้อยากแทนที่ใครได้พราะกลัวว่าจะไม่จำไร้เธอเหมือนที่จะเคยเธอไม่ไมีวันจำไร่เธอร บอไปว่าฉันรักเธอแต่อย่าพึ่งผิคิดว่าต้องเธอกับความเจ็บและช้ำเพราะฉันนั้นไม่ใช่เขาไม่เคยอยากเป็นหรืออยากแทนที่ใครไม่อยากจะเหมือนใครไม่ได้อยากแทนที่ใครได้โปรดรู้ไว้จะไม่ทำร้ายเธอเหมือนที่จะเคยเธอไม่มีวันจะร้ายเธอ